สติเราดีขึ้นไหมนะเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆนะก็วัดตัวเองดนะูสติเราเกิดบ่อยขึ้นหรือเปล่าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นไหมหลงสั้นหลงไหมถ้าสติเกิดบ่อยเราจะลงสั้นนะใจมันก็จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นสมาธิมันก็เพิ่ม นี่พอมีสมาธนะิเราจะรู้สึกตัวรู้นะื้รู้ตัวอยู่แต่รู้ตัวแล้วก็ถ้าใครยังรู้ตัวแล้วรู้อยู่เฉยๆนะ mm. ก็เรียกว่ายัางไม่ได้เดินปัญญาเราต้องทําให้ครบมีสตินะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาขาดสติก็ขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญา วิธีพัฒนาให้เกิดสติทําสติปัฏฐานเลือกอารมณ์กรรมฐานที่พวกเราทําได้อย่างบางคนดูกายเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายให้ใจเข้ารู้สึกถึงการหายใจของร่างกายถ้าไปพัฒน า, าสติจังหวะการหายใจมันจะเปลี่ยน พวกเราดูออกไหมเวลาจิตใจเราสงบเนี่ยลมหายใจเราก็เรียบร้อยนะถ้าจิตเรามีกิเลสนะลมหายใจจะกระโชกฮุกฮากขึ้นมามีราคะลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะมีโทสานี่เปลี่ยนแรงมีโมหะอันนี้ไม่รู้โมหาม ร, รู้ไม่ไหวเลยงนอย่างเรามีสติรู้การหายใจเนืองเนืองเนี่ย ต่อไปพอเราขาดสติมีกิเลสอะไรแทรกเข้ามาจังหวะการหายใจมันเปลี่ยนนี่เราเคยรู้จักการหายใจมาชำนาญแล้วพอจังหวะการหายใจเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกตัวขึ้นมาได้เองสติจะเกิดเองหรือเรายืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนไปยืนเดินนั่งนอนด้วยความรู้สึกตัวมีสติ นั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่ยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นอนอยู่คอยรู้สึกไปนี่พอเราขาดสตินะเราเกิดขยับตัวขึ้นมาอย่างเรานั่งนั่งอยู่เราเห็นสาวงามเดินมาก็ขยับตัวลุกขึ้นมาจะเดินไปจีบเขาเนี่ยมันเห็นร่างกายเปลี่ยนอิริยาบถ มันคยมีสติตามรู้อิริยาบถพอร่างกายเปลี่ยนอิริยาบถสติจะเกิดเองจิตมันจําสภาวะของความเคลื่อนไหวได้หรือเราเคยหัดอย่างสายหลวงพ่อเทียนขยับไม้ขยับมือร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกมีสติรู้ถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายพอขาดสตินะแล้วร่างกายมันเคลื่อนไหวปุ๊บสติจะมาเองเลย หลวงพ่อเคยทดลองด้วยตัวเองอันนี้ยปกติก็ใช้อานาปานสตินะนวันหนึ่งข้าไปกราบหลวงพ่อเทียนไปดูท่านาว่าท่านภาว น, นาเป็นยังไงเห็นท่านสอนขยับมืออยู่เ อ, อท่านรู้สึกตัวนะสอนไปก็ไม่หลงนะนี่เราก็เคยไปลองนั่งใต้ต้นไม้ที่พักท่านครับก็ขยับบ้าง ขยับแล้วสิบสี่จังหวะมันเยอะลำคาญหลวงพ่อเลยขยับแค่เนี้ยนั่งสมาธิอยู่มือวางบนเขา่าขยับได้เล่นอยู่พักหนึ่งอีกสองสามวันนะเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนเราก้าวเท้าไปจะไปคุยกับเขาก้าวเท้าไปตอนดีใจที่เห็นไม่รู้ว่าดีใจคาสติ ตอนที่ก้าวเท้าไปเนี่ยจิตสั่งให้ขาเดินนะเราก็ไม่มีสติแต่พอขามันเคลื่อนท้านะเท้ามันเคลื่อนท่านะสติเกิดปั๊บเลยเพราะเราเคยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกนี่สติมันเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นหรือเราหัดดูความสุขเกิดขึ้นในใจเรารู้ความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ความไม่ทุกข์ไม่สุขเกิดขึ้นเรารู้ หัอย่างนี้เรื่อยๆเื่อยๆนะต่อไปเราเผลอๆอยู่พอจิตมันมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อะไรขึ้นมาผุดขึ้นมาปุ๊บสติจะเกิดเองหรือนะถ้าเราขี้โกรธเราก็ดูเดียดเด๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตเกาไม่โกรธเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตเกาไม่โลภเนี่ยสำหรับพวกขี้โลภนะพวกฟุ้งซ่านใจลอยเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ซึมอย่างเงี้ยถ้ดูไปหัดดู ต่อไปพอความรู้สึกมันเปลี่ยนยใจลอยปุ๊บสติเกิดเองอย่างใจไหลไปคิดสติเกิดเอง ใ, ใจหดหูสติเกิดเองเนี่ยเฝ้าดูสภาวะซ้าแล้วซ้าอีกเรียกว่ารู้เนืองเนืองรู้ร่างกายเนืองเนืองรู้เวทนาคือสุขทุกเนืองเนืองรู้กุศลนกุศลเนืองเนืองอันนี้เรียกว่าจิตตาลูกศาสนาะ แตรที่เรารู้บ่อยๆนะสติมันจะเกิดเองเราั hmm. ้นสติปัฏฐานในขั้นต้นเนี่ยทาไปเพื่อความมีสตินี่สติเกิดแล้วเราได้อะไรอันแรกเราได้ศีลเวลาขาดสตินะี่กิเลสมันจะมานะกิเลสจะแทรกเพราะตรงที่ขาดสติคือมีโมหะละวพอมีโมหะก็ออกไปกระทบอารมณ์โดยไม่มีสติกํากับใจ ไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาใจสติเป็นคนรักษานะเราไม่ต้องรักษาแตอเราพัฒนาสติขึนะ้นมันจะรักษาใจเราเองนะพอใจมันหลงเนี่ยสติพอพ้อ ง, องไหวใจมันหลงแล้วสติรู้ปับ๊บโมหะดับนะราคะาโทสะไม่มีโอกาสเกิดราคะโทสะเป็นลูกของโมหะต้องหลงก่อนถึงจะอบได้ต้องหลงก่อนถึงจะโกรธได้ ถ้าไม่หลงก็ไม่โลภไม่โกรธเนั้นไอ้ตัวหลงเนี่ยร้ายที่สุดนะถ้าเราฝึกจนเราชนะตัวหลงแล้วก็กิเลสอื่นไม่มีละไม่เกิดตัวหลงตัวหัวหน้ามันเลยคือตัวอวิชชานี้เราค่อยๆสู้เป็นลำดับไปตอนนี้เราสู้ตัวโมหะไปก่อนตัวฟุ้งซ่านตัวฟุ้งซ่านเนี่ยค่อยรู้ทันมัน เวลาที่เรามีสติบ่อยๆพอกิเลสเกิดปุ๊บสติรู้ทันกิเลสจะดับเมื่อกิเลส ด, ดับศีลอัตโนมัติมันจะมีเองเพราะอะไรคนทบผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงาจิตอย่างคนจะไปทำร้ายคนอื่นได้เนี่ยเพราะกิเลสครอบงาไปชกเขาเนี่ยกิเลสตัวไหนครอบงา ใครว่าตัวไหนใครว่าราคะใครว่าโทสะใครว่าโมหะต้องมีโมหะด้วยสาที่ไปทําร้ายเขาเนี่ยนะบางทีใส่ชิงเงินเขาชิงทองเขาไปยิงเขามันไม่ได้โกรธเขานะแม้ว่ามันทำด้วยโลภก็มีไปขโมยของเขาะ มันถูกกิเลสอะไรบงการโลภใช่ไหมไปขโมยเขาโกรธเนี่ยขโมยเขาได้ไหมโกรดก็แกล้งเขาไปขโมยสมบัติเขานะเป็นชู้กับเขาเนี่ยทำไปด้วยราคาใช่ไหมนี่แน่นอนนะทำไปด้วยโทสะได้ไหมเกลียดผัวมันก็ไปแกล้งจีบเมียมันนะไปละเมิดผิดศีลข้อสานะมะฉันจริงๆรศีล ห้าข้อนี้มันทำด้วยอำนาจกิเลสทั้งสามอย่างนั่นแห ล, ละราคาโทรสามโมหะไม่ใช่ตื้นตื้นนะไม่ใช่แค่ว่าผิดสิ่งข้อหนึ่งไปทุบตีฆ่าฟันนะเพราะว่าโกรธไม่จำเป็นเสมอไปขโมยเขาไม่จำเป็นเพราะโลภนะจะโกรธ ก, ก็ไดนะ้หรือบางทีก็มีโมหะแทกด้วยต้องมีโมหนะยังไม่รู้ผิดชอบชั่วดี ความไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีเป็นตัวโมหะนะงั้นกินเหล้านะเศร้าใจก็ไปกินเหล้าใช่ไหมอันนี้ทำด้วยโทสะดีใจก็ไปกินเหล้านี่ทำด้วยโลภนะแล้วขณะนั้นก็ต้องโมหะต้องหลงด้วยพูดจากโกหกพูดจากโกหกเนี่ยดูง่าย กหหลอกลวงเขาหรือไปพูดคำหยาบไปด่าเขาเนี่ยด้วยโทระเห็นมช่ไดูง่ายทำด้วยราคาได้ไหมไปหลอกเขาประเภทผมรักคุณที่สุดในโลกเลยคำนี้ประโยคนี้นะถ้าได้ยินนะ่ะตราหน้ามันเลยมุสาไม่มีใครรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองหรอกนะเพราะฉะนั้ถ้าบอกโอ้ยผมรักคุณที่สุดเลยเนี่ยเหมือนพูดด้วยราคา แล้วก็พูดด้โมหะไม่รู้ความจริงของสภาวะว่าจริงๆตัวเองรักตัวเองที่สุดสิ่งที่เรารักที่สุดคือตัวเองไม่ใช่คนอื่นหรอกตอนเด็กๆนะหลวงพ่อเคยดูหนังจีนนะเรื่องไหไรจำไม่ได้ละเมืองหนึ่งมันไปจับเข้าตีอีกเมืองหนึ่งได้แล้วมันชนะนะ มันก็เอาครอบครัวของกษัตริย์ใ้เมืองที่แพ้เนี่ยมาทั้งครอบครัวเลยแล้วมันก็บอกว่าให้กษัตริย์นะให้องของเมืองเนี้ยชี้มันรักคนไหนมากที่สุดมันจะไว้ชีวิตคนนั้นไอ้นี้ก็ดูไปดูมานะไม่รู้จะชี้ใครก็ชี้นี่ลูกของมันรักที่สุด ก็ดนลูกก็ถูกฆ่าไปมันชี้ไข่ก็ถูกฆ่าหมดเลยนะสุดท้ายคำเฉลยก็คือกูหงกที่จริงรักตัวเองที่สุดทำไมบอกว่ารักลูกเพราะลูกของกูใงั้นแล้วถ้าลูกคนอื่นรักไหมบางทีก็รักนะถ้ามันสวยใช่ไมเมียเร า, าลูกคนอื่นทั้งนั้นหลย ก็บอกว่าไม่รักลูกคนอื่นไม่จริงนะแต่รักที่สุดรักตัวเองนะี่เราค่อยๆสังเกตจิตใจของเราไปใจมีราคะมีโทสะ ม, มีโ ม, โมหะเกิดขึ้นมีสติรู้ทันพอเราไม่มีกิเลสเราจะไม่ผิดศีลแล้วถ้าใจเรานะมีกามาชันธะอันนี้อยู่ในกลุ่มราคะ มีพยาบาทนี่อยู่ในกลุ่มโทสะนะมีความฟุ้งซ่านมีความลังเลสงสัยในพวกนี้ตะกูลโมหนะนี่ถ้าพยาบาทเกิดนะมีสติรู้ทันใจก็ไม่พยาบาทนะมีกามชันทะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพเกิดขึ้น พอใจในกลิ่นเช่นนั่งอยู่ตรงเนี้ยเราสูดลมเข้าไปสิพวกที่นั่งทางเนี้ยได้กลิ่นไหมได้กลิ่นถ้าเป็นกลิ่นที่ชอบใจใช่ไหมกระตุ้นให้ราคะเกิดนะกรรมฉันท่มันยืนซ่อนอยู่ข้างในพอเราได้กลิ่นที่พอใจนะกรมฉันท่ก็ถูกกระตุ้นกลายเป็นราคะอยากกิน ยันราคะตัวสามโมหะมันหยาบเป็นของหยาบที่สุดนิบอรมีห้าตัวนะการมาชันท้าพยาปาท้าพยาบาทนะอุทาจักกุกขจักวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเวลาความลังเลสงสัยจิตสงบไหมไม่สงบใช่ไ้ยเวลาหดหูจิตสงบไหมไม่สงบนะไปดูให้ดีนะบางคนบอกโหดหูนี่สงบนะ ไอ้ น, นั่นเรียกสลบไม่เรียกว่าสงบหรอกนะนิวรณ์ห้าตัวเนี้ยทําให้เสียสมาธินะนิวรณ์นี้ยเป็นศัตรูของสมาธิเมื่อไรมีสมาธินิวรณ์จะถูกขจัดไปเมื่อไหรไม่มีสมาธินิวรณ์จะเยี่ยมกลาเข้ามาทํางานนะกระทบอารมณ์แาาลนะ้วนิวรณ์จะทำงานเานั้นถ้าเรามีสมาธิอยู่นิวรณ์ทางานไม่ไดนะ้แล้วก็ถ้านิวรณ์ ไม่ทำงานสมาธิก็จะเกิดคู่นี้มันศัตรูกันงั้นเวลาที่เราจะฝึกจิตให้มีสมาธิทำได้สองอย่างอันหนึ่งเพิ่มพลังของสมาธิขึ้นนะเพื่อไปข่มนิวรณ์เพราะจิตมีสมาธินิวรณ์ก็ไม่เกิดอันที่สองละนิวรณ์เสียแล้วสมาธิจะเกิดงนะั้นทำได้สองแบบนะ ถ้าเราเข้าฌานได้แล้วลิกเข้าฌานไปมีปีติมีความสุขนะมีความเป็นหนึ่งนะมีวิตกมีวิจารปีติสุขเอกขตาเป็นหนึ่งนิวรณ์ห้าตัวถูกข่มไว้นี่ถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นอาศัยสตนะิรู้ทันนิวรณ์ไปใจมันแสบใส่มันชอบมันชักจะชอบ นีน่มีกลิ่นไข่เจียวหอมๆน่ากินอย่าว่าแต่พวกเราเลยพระยังเป็นเลยนะตอนที่โยมโยกมานี้าอาหารทำมาใหม่ๆนะักควันขึ้นนะหอมพอถึงเวลาที่พระได้ฉันนี้เย็นไปแล้วนะไม่ไม่อร่อยแล้วไม่หอมแล้วเนืใจมันมีความพอใจอันนี้ไม่พอใจนี้รู้ทันนะ พอรู้ทันจิตเป็นกลางจิตจะเกิดสมาธิขึ้นเวลางงสงสัยฟังหลวงพ่อพูดแลวง ง, งสงสัยขึ้นมารู้จักสงสัยไหมรู้จักงงงงไหมงงรู้ว่างงที่หลวงพ่อชอบสอนเลยสงสัยรู้ว่าสงสัยไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยแล้วได้อะไรใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปหาคำตอบใจที่ไม่ฟุ้งซ่านก็จะเกิดสมาธิขึ้น เพราะฉะันที่เรารู้นิวรณ์นะก็จะเกิดสมาธิหรือทําทำฌาญ ม, มาได้สมาธิก็จะขมนิวนรณ์เมื่อไหร่มีสมาธินิวรณนก็ไม่มีเมื่อไหร่มีนิวรณ์สมาธิก็ไม่ ม, มีมันคู่ปรับกันเิ่งพวกเราเข้าชาญไม่เป็นเราก็อาศัยสติเนี่ยแหละรู้ทันใจมันชอบอะไรนี่ก็รู้ใจมันไม่ชอบอะไรนี่ก็รู้ ใจมันลังเลสงสัยก็รู้ใจมันฟุ้งซ่านใจมันหงุดหงิดรำคาญใจฟุ้งซ่านแล้วมันจะต่อลำคาญใจะไปด้กันฟุ้งๆแล้วสบายใจมีไหมรู้สึกไหมฟุ้งๆแล้วสบายใจไม่มีฟุ้งแล้วจะหงุดหงิดไอ้ที่ฟุ้งแล้วสบายใจแล้วมันฟุ้งไม่รุนแรงฟุ้งเพลินๆฟุ้งเบาๆนะ ถ้าฟุ้งแรงขึ้นมาแล้วลำคาญเวลาจะนอนนะแล้วมันคิดไม่เลิกอะ่ะสบายใจไห ม, ไมคู่กันเลยฟุ้งซ่านลำคาญใจนะลำคาญใจเป็นตัวโทสะนะมันแทรกตามความฟุ้งซ่านมาเพราะนเวลานิวออนเกิดขึ้นเราจะไม่เรียกมันว่านิวรณ์ก็ได้มันเป็นกิเลส ท, ที่ละเอียดหน่อย ม, มีกิเลสเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันกิเลสนิวรณ์มันจะดับสมาธิมันจะเกิดนิวรณ์ห้าตัวครูบาอาจารย์จะเน้นตัวฟุงงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งไปได้หกช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจครูบาอาจารย์จะเน้นฟุ้งซ่านที่ใจฟุ้งซ่านที่ใจก็คือหลงชิดความหลง ในหกช่องทางเนี่ยหลงทางใจมีมากที่สุดหลงทางใจที่เกิดบ่อยที่สุดคือหลงคิดเนี่ยเวลาเราหัดเจริญสตินะหัดรู้สภาวะหลงชิดจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้นิวรณที่เหลือเนี่ยไม่มีความหมายเลยหลงชิดเป็นโมหะแเรามีสติรู้จิตที่หลง จิตที่หลงคิดจิตฟุ้งซ่านนะหลงไปไปคิดเรารู้ตัวนี้ปุ๊บความฟุ้งซ่านดับสมาธิเกิดทันทีเลยสติก็เกิดสมาธิก็เกิดนะมีสติไปรู้ทันปุ๊บสมาธิจะเกิดเลยง่ายๆรู้สึกไม่ง่ายมันยากตรงที่เราไม่ยอมรู้สภาวานะนั่นแหละถ้าทุกวันไปซ้อมรู้นะ เช่นนั่งพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธทุกวันอะ่ะซ้อมไปเรื่อยเรไม่ใช่พุโทโธองสงบพุโทโธพุธโทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นลืมพุโทโธแล้วมีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดละวเนี่ยฝึกบ่อยบ่ยต่อไปจิตจําสภาวะหลงคิดได้พอหลงคิดปุ๊บสติจะรู้เองเลยเนี่ยค่อ ย, ยๆฝึกไปแล้วสมาธิจะเกิดนี่พอสมาธิเกิดแล้วก็ต้องมาเจริญปัญญา เมื่อก่อนเนะี่ยบางคนมันมักง่ายมากเลยนะมาฟังหลวงพ่อนิดๆหน่อยๆแล้วบอกหลวงพ่อประโมทสอนให้รู้ตัวอยู่เฉยๆที่ให้รู้ตัวอยู่เฉยๆอันนี้ขั้นเบสิกจิตมันฟุ้งและเทอะบอกให้รู้ตัวเฉยๆไม่ต้องไปบังคับจิตให้สงบเราบังคับไงก็ไม่สงบรู้สึกตัวไปเดี๋ยวมันสงบเองพอมาเรียนแค่นี้นะเลยสรุปว่าหลวงพ่อสอนให้รู้ตัวอยู่เฉยๆ ที่จริงเม่รู้ตัวแล้วถ้าจิตจะอยู่กันเนื้อตัวได้แล้วต้องเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาคือสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรม ท, ที่กำลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสติระลึกรู้เช่นร่างกายกำลังเคลื่อนไหวนะีสติระลึกรู้นะจิตมีสมาธิตั้งมั่นไม่ไหลตามไปอย่างหลวงพ่อขยับแก้วเนียนะใจไม่ลงไปอยู่ในแก้ว ใจเป็นคนดูเห็นแก้วน้ามันเลิ่นมาจิตมันสั่งนะเรื่อนเข้ามามีสัญญาเข้าไปหมายรู้นะวันนี้รูปอันนี้ก็ไม่เที่ยงรูปตรงนี้ก็ไม่เที่ยงรูปตรงนี้ก็ไม่เที่ยงนะหมายรู้ความเป็นไตรลักษณนะ์งั้นมีองค์ทำทำงานร่วมกันหลายตัวเลยกว่าจะเห็นความจริงได้ มีสติระลึกรู้รูปนามที่กําลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหรือหยุดนิ่งนะมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดนะูจะเห็นสภาวะทั้งหลายชัดเจนถูกต้องถ้าจิตเราถลําลงไปอยู่กับสภาวะจะเห็นสภาวะไม่ชัดมันเหมือนเราอยู่บนบกเนี่ยอะไรผ่านในน้ําเราเห็นชัดนะในแม่น้ําลําคลองเราตกน้ําเราจะเห็นอะไรไม่ชัดลนะแค่ ตาลีตาลานไม่ให้จมน้ำตายกบุญละนี่ถ้าเราอยู่บนบกนะแล้วเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปในน้ําดูกายดูใจก็เหมือนกันมีจิตตั้งมั่นอยู่เหมือนจิตอยู่บนบกนะแล้วก็มองเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวนี่เรียกว่ามีสมัครทีนะ่ที่ถูกต้องถ้าเห็นแล้วก็นะเห็นแล้วก็ทําความรู้สึกตัวไว้นิ่งๆนะนิ่งเฉย ไม่มีสัญญาหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ไม่มีทางเป็นมิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ด้วยการเห็นไตรลักษนณะ์เนถ้าจิตมันไม่เห็นก็พามันพิจารณาอย่างที่ครูบาอาจารย์วัดปา่าท่านพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงนี้ยังไม่ใช่มิปัสนาเป็นการกระตุ้นนะให้สัญญามันหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ นี่พอสัญญามันหมายความเป็นไทรลักษณ์ได้แล้วแต่ไปมันหมายเองนะเนี่ยขยับปุ๊บมันจะรู้สึกเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะไม่ใช่ตัวเราเลยนะไอ้ท่อนนี้ไม่ใช่เราเลยนะนะเหมือนแขนยนต์ของอุ่นยนต์นะเคลื่อนไหวนะไม่ใช่ตัวเราไายนี้เหมือนเครื่องยนต์อันหนึ่งนะหนเหมือนหุ่นยนต์นี่ยเราหมายรู้อย่างนี้ได้เราก็จะเห็นนะ ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราหมายรู้ความรู้สึกทั้งหลายมีสติรู้ว่าราคะโทสะเกิดโมหะเกิดจิตไหลไปนะพอไหลไปสติเกิดปุ๊บรู้ว่าจิตเคลื่อนไปมีราคะโทสะรู้สภาวะตามความเป็นจริงสมาธิก็จะเกิดนะเพราะว่าไม่มีโมหนะแล้วสมาธิเกิดแล้วก็จะเห็นนะสภาวะที่ผ่านมาให้เรารู้ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมนะ มันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะความสุขมันมาเองแล้วมันก็ไปเองนะตรงที่มันมาเองไปเองนี่เรียกเห็นอนัตตาเห็นความสุขมันมีอยู่แล้วก็หายไปเรียกว่าเห็นอนิจจงนะความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เรียกเห็นอนิจจงเห็นวน่ามันทุกข์เองนะแล้วมันก็ดับไปเองสั่งมันไม่ได้นี่เรียกเห็นอนัตตางั้เราพัฒนาการปฏิบัติของเรานะ เป็นสเต็ปสเต็ปมาเริ่มตั้งแต่ฝึกให้มีสตนะิพอมีสติแล้วก็ฝึกให้มีสมาธิใช่ชัมนีชัมนามสมาธิจะเกิดเมื่อสติรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงสภาวะรอบโกรดหลงอะไรก็ได้แต่เวลาฝึกนะีให้มีสมาธิครูบาอาจารย์จะเน้นให้รู้จิตที่หลงเนะพราะตัวนี้ยืนพื้นมีตลอด ถ้ารู้ว่าจิตหลงแล้วหลงอะไรมากที่สุดหลงคิดมากที่สุดหลงไปดูเป็นที่สองหลงไปฟังเป็นที่สามฉะนั้นเรียนรู้จิตหลงคิดให้มากมีสติเรียนรู้จิตหลงคิดจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิต่อไปจะได้ปัญญาถ้ามันหมายรู้ความเป็นไตรลักษ์ได้ปัญญาจะเกิดการหมายรู้ถ้าจิตมันเคยหมายรู้แล้วมันจะหมายรู้ได้อีก แต่ถ้ามันยังไม่เคยหมายรู้มันรู้ตัวอยู่เฉยๆต้องช่วยมันพิจารณาพิจารณากายว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาความรู้สึกทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงที่พิจารณานี้เป็นการกระตุ้นให้สัญญาที่ถูกต้องทํางานถ้าสัญญาที่ถูกต้องไม่ทํางานสัญญาพิปปาลาดสัญญาที่ผิดจะทํางานแทนอย่างมันเห็นเนี่ยกลายเป็นเราเคลื่อนไหวเนี่ยเราเคลื่อนไหว เนี่ยดื่มน้ำให้ดูถือมาจอน้ำเย็นแล้วนะจำได้ยังนะเอาไปทำนะถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะบางคนเจ็ดปีก็เป็นพระอรหันต์หรือพระนาคา บางคนห้าปีสามปีปีเดียวะก็เป็นพระอรหันต์หรือพระนาคาบางคนเจ็ดเดือนสามเดือนเดือนเดียวก็เป็นพระอรหันหรือพระนาคาบางคนเจ็ดวันสามวันวันเดียวเป็นพระอรหันต์หรือพระนาคาได้ะขอให้เจริญให้ถูกอย่างที่หลวงพ่อสอนนี้แหละะมันใช้เวลาไม่มากอะเจ็ดเดือนนี่ก็มีนะ อย่างมาบวชเนี่ถ้ายินทรีแก่กล้าจริงๆนะไม่กี่พันษาหรอกสองสามพันสาอะไรเงี้ยถ้ายินทรีปานกลางก็เอาเราสิบหกพันษาถ้ายินทรีอ่อนหน่อยนะก็นานกว่านั้นค่อยๆฝึกถามว่าตัวเลขนี้มาจากไหน ตัวเลขนี้ฟังครูบาอาจารย์มาต้องบอกที่มานะอ้างอิงเดี๋ยวบอกหลวงพ่ออุตรีรู้ไหมว่าอุตริมนุษยธรรมที่เราชอบว่าพระมีองค์ประกอบอะไรบ้างสิ่งที่เรียกว่าอุตรีมนุษยธรรมนะคือเรื่องของฌานสมบัติเช่นมาเล่าให้โยมฟังว่าวันนี้เข้าชาญที่แปดนะเย ออกจากฌานแปดมาเข้าฌานที่สามอะไรเงี้ยนะหรือเมีาพินยามีฤทธ์หาะได้นะโอ้ยอาตมาหาะได้นะจริงวิธีหาะคือปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วหเหาะปวดมักผลเนะี่ยปวดเรื่องสมบัตินะก็ปวดเรื่องมักผลเพื่อไม่ใช่ บวชเรื่องอื่นอาตมาเลี้ยงแมวไว้เยอะที่สุดเลยเนี่ยอันนี้ไม่เรียกบวชอุตริอะ่ะแต่ว่าเป็นพระอุตริบวชแล้วแทนที่จะภาวนาหรือศึกษาบัวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่างเดียวเนีแต่ว่าไม่ใช่อุตริมนุษยธรรมบวชบวชหมายถึงว่าไม่มีแล้วไปหลอกเขาถ้ามีเนี่ยไม่เข้าตัวนี้นะถ้ามีแล้วไม่เข้าตัวเนี้ย ั้นยังบอกอาตมารูนะ้ว่าแม่ของโยมตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอย่างสุว่าวัดเรามีเมนมีที่สวดศพนะคนพาแม่มาเราก็ไปบอกเขาอาตมารู้ว่าแม่โยมอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ในโรงนะ หรือบอกมีตาทิพย์มีหูทิพย์แล้วมีจริงๆนะไม่เข้าตัวนี้นะนะไม่เข้าอาบัติปราชิกนะนนเราชอบสัตว์พระปราชิกไม่ใช่เรื่องเข้าง่ายๆมันก็เหมือนกฎหมายต้ององค์ประกอบครบอนะ ว, วดเรื่องอวดในสิ่งที่ตัวเองไม่มีนะในเรื่องของชาตสมบัติอภินยะ า, ญญาเรื่องมาผล อวดสิ่งเหล่านี้เนี่ยองประกอบหลายอย่างนะองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งเพื่อลาบสักการะเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนเราเลยจิตเราเป็นไงท่านไล่โขเลยท่านไม่ได้เอาลาบสักการะไม่ได้ผิดตัวนี้งั้นไม่ใช่เราเห็นพระทำอะไรอุยอาบาัตจับมันสึกไป นั่นลกจะกินกระ บ, บาล น, น, ะนะคราไม่ได้ทำผิดขนาดนั้ น, น <S <S <ๆ>ตัวอื่นก็เหมือนกั น, นวินัยแต่ละข้อมันจะมีองค์ประกอบบางข้อนะต้องมีความจงใจบางข้อไม่ได้จงใจก็ผิดมีนะนี่แถมเรื่องวิในัยให้นิดห น, น่อย ในฐานะที่มนุษย์รุ่นนี้นะมันชอบปรับอาบัติพระเจะได้รู้ไว้บ้างนะได้ไม่หลงใครเขาด่าพระแล้วก็สาทุบสาทุบจับมันศึกไปเลยนะนะเอา้าวแต่มันมีข้อหนึ่งนะเป็นเรื่องมติคณะสงฆ์คำสั่งของสงฆนะ์อย่างพระกินเหล้าเนี่ยอาบัตินิดเดียวนะ อาบัตตื้นๆ น, นิดเดียวเลยกินเหล้านะคณะส่งแล้วท้ากินเหล้าจับสึกไปอะไรอย่างเนี้อย่างนี้ก็มีก็นะตีความเข้าในเรื่องโลกะวัชชะอยู่ในพระมิในมีถ้าเป็นเรื่องโลกวัชชะโลกตีเตียนะก็ปรับอาบัติอีกเหตนเรื่องมิในไม่ใช่เรื่องตื้นๆนะพระมาที่เนี่ยเรียนเรียนมิในอย่างน้อยสามวันต้องเรียนนะ เรียนวิในในปฏิโมกขนะ์นะวิในนอกปฏิโมกข์เรื่องพอิสมาจจา์เรื่องข้อวัดปฏิบัติต่างๆต้องเรียนไปกินข้าว